เจ้าแม่เรือนแก้วเรือนไม้แห่งบ้านทรงไทย ส, สัมผัสสยองเรื่องนี้ต้องขอขมาและขออนุญาตที่จะต้องใช้ชื่อของสถานที่จริงเนื่องจากมีความเหมาะสมของที่มาของเรื่องนี้เจ้าแม่เรือนแก้ว จันมีอาชีพเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งสอนวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมจึงได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่พิเศษคือดูแลแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ชื่อว่าเรือนแก้วประวัติของเรือนแก้วเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงรูปทรงแบบบ้านทรงไทย มีระเบียงและห้องสามสี่ห้องเป็นที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเรือนแก้วสร้างจากไม้ทั้งหลังแต่เป็นไม้ที่รื้อถอนมาจากอาคารเรือนต่างๆแต่เดิมเคยเป็นอาคารไม้ปัจจุบันสร้างอาคารเป็นตึกสี่ชั้นไม้ของอาคารต่างๆก็ยังแข็งแรงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความคิดสร้างสรรค์คิดว่าถ้าอนุรักษ์ไม้เหล่านี้ไว้แล้วสร้างเป็นอาคารทรงไทยเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมก็คงจะดีไอเดียบันเจิดอย่างนี้ไม่มีใครคิดค้านเรือนแก้วจึงถูกสร้างขึ้นทั้งทั้งที่ตามประเพณีการสร้างบ้านแล้วเขาว่ากันว่า ไม่ควรนาไม้จากเรือนหลายหลังมาสร้างด้วยกันหรือนาไม้หลายป่ามาสร้างบ้านมันไม่ดีในที่สุดเรือนแก้วก็สร้างเสร็จสมบูรณ์โดยใช้เวลาไม่นานนักที่ตั้งชื่อเรือนนี้ว่าเรือนแก้วก็เพราะว่าตั้งชื่อให้สอดคล้องกับอาคารอื่นๆอย่างเรือนเพชรเรือนรวตนาบนีเรือนมณีรัต น, น์เรือมนรรอมรกต และอีกหลายอาคารที่เป็นชื่อมงคลเพ็รพลอยทั้งนั้นจันทร์กับเพื่อนช่วยกันจัดเรือนแก้วให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการนําของเก่าของโบราณของพื้นบ้านที่หาได้จากของเดิมที่มีอยู่ในโรงเรียนและของที่ผู้ปกครองบริจาคห้องแรกเป็นห้องเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากิน ห้องของใช้ในครัวห้องสมุนไพรห้องผ้าโบราณข้าวของต่างๆมีทั้งที่มีค่าราคาแพงและไม่มีราคามากมายแต่ก็ควรอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นรากเงาของบรรพบุรุษจันทำงานกับเพื่อนอีกสองคนถึงเวลาไปสอนก็เปลี่ยนกันไป บางทีเปิดเรือนทิ้งไว้แต่ก็ไม่เคยมีของหายเพราะเด็กนักเรียนไม่ค่อยขึ้นไปเด็กๆจะขึ้นไปเฉพาะชั่วโมงที่ครูต้องพาไปเรียนรู้เท่านั้นมันก็คงไม่แปลกที่เด็กๆไม่กล้าขึ้นไปชมโดยลำพังบางทีจันนั่งทำงานคนเดียวก็ยังรู้สึกวังเวงหันไปมองทางไหนก็เจอแต่ของเก่า บางก็เป็นของที่ได้รับบริจาคมาเช่นผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่งนำของโบราณค่อนข้างมีราคามาบริจาคเพราะเขาเป็นนักสะสมของเก่าของที่นำมาให้ก็อย่างเช่นลูกปัดสมัยทวารวดีพระพุทธ ร, รูปสมัยสุโขทยัยเหรียญเงินโบราณมีกระทั่งกระดูกและฟันของมนุษย์โบราณที่ขุดพบ หรสิ้นโบราณที่น่าจะเป็นของคนตายก็มีผู้บริจาคซึ่งมันก็น่ากลัวอยู่เด็กๆพากันเล่าลือเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่พวกเขาบอกว่าเห็นบนเรือนแก้วเช่นเห็นผู้หญิงแก่ๆนุ่งขาวห่มขาวเดิอนอยู่บนเรือนเด็กบางกลุ่มไปนั่งเล่นที่ใต้ถุนเรือนแก้วก็มักจะได้ยินเสียงคนคุยกันบนเรือน ทั้งทั้งที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่บนเรือนเลยบางทีนักเรียนไปเรียนรู้บนเรือนแก้วและถ่ายภาพห้องต่างๆไว้พอกลับมาดูก็มีภาพหญิงแก่นุ่งผ้าถุงนั่งอยู่ริมระเบียงบ้าน ท, ทั้งทั้งที่ตอนถ่ายภาพไม่มีใครนั่งอยู่เลยทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของเจ้าแม่เรือนแก้ว เมื่อครั้งที่ครูคนหนึ่งจากโรงเรียนอื่นมาเยี่ยมชมเรือนแก้วเพื่อศึกษาศิลปะวัฒนธรรมโบราณท่านบอกว่าเป็นคนที่สามารถสัมผัสอะไรบางอย่างได้พอขึ้นมาบนเรือนแก้วครู่เดียวเท่านั้นท่านก็เกิดขนลุกชันทั่วร่างแสดงว่าบนเรือนแก้วนี้จะต้องมีอะไรอยู่แน่ๆถ้าถามจันว่า ฉันรู้สึกกลัวบางไหมก็คงตอบว่ากลัวแต่คิดว่าฉันมีเจตนาดีมาทำความดีได้เผยแพร่ความรู้ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักวัฒนธรรมสมัยก่อนอย่างนี้แล้วคงจะไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ทำการลบหลู่อันใดเลยแต่เสียงเล่าลือถึงสิ่งลี้ลับก็หนาหูมากขึ้นทุกวัน ทางโรงเรียนจึงจัดพิธีสืบชะตาทำบุญเรือนแก้วมีการนำพยันมาติดไว้ที่หัวเสาของเรือนแก้วเกือบทุกตน้นยิ่งเป็นการเพิ่มความน่ากลัวมากขึ้นไปอีกทำให้ไม่มีใครอยากขึ้นไปบนเรือนแก้วทั้งๆ ท, ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจจันเองก็ยังทำหน้าที่บนเรือนแก้วดิใจรัก จัดโนนทำนี่ใครที่เคยได้ขึ้นมาชมเรือนแก้วต่างก็ชื่นชอบหายากที่จะมีพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนมีเหตุการณ์หนึ่งที่จันยังจำได้ดีวันนั้นจันเดินผ่านกลุ่มนักการพานโดงซึ่งกำลังแบกบันไดบ้านแบบโบราณมีทั้งหมดห้าขั้นจึงได้ถามว่าจเจ้าบันไดไปไหนนักการบอกว่า จะไปเก็บที่ห้องเก็บของจันนึกได้ว่าถ้าไปไว้บนเรือนแก้วอนุรักษ์ไว้ก็คงจะดีจึงได้บอกนักการให้เอาไปไว้ที่ห้องโถงใหญ่บนเรือนแก้วจัดให้พิงผนังห้องไว้เมื่อมองดูแล้วเห็นว่าบันไดตั้งพิงอยู่เฉยๆคงไม่มีประโยชน์เท่าไหร่จึงเอาตะปูขนาดนิ้วครึ่งติดบนขั้นบันได เว้นช่องห่างกันพอสมควรตั้งใจว่าจะหาของมาแขวนประดับให้สวยงามขึ้นประจวบเหมาะกับที่ผู้ปกครองนักเรียนเคยบริจา ก, กระบวยตักน้ำจากกะลามะพร้าวจานวนมากมีหลายขนาดทั้งเล็กกลางใหญ่เก็บไว้ในกระบุงอยู่อีกห้องคิดว่าเอากระบวยตักน้ำวางครอบตะปู แวนโชว์ให้คนดูก็คงเข้าทีจึงจัดกระบวยแขวนไว้อย่างสวยงามจึงดังคาดคนที่ขึ้นมาชมเรือนแก้วก็ชมว่าน่าสนใจที่เอากระบวยมาโชว์แบบนี้แต่กลับมีคนหนึ่งทักว่าเออทำแบบนี้ไม่เหมาะนะเอาของสูงอย่างกระบวยมาไว้กับของต่ำอย่างบันไดแบบนี้มันไม่ดีจันได้ฟังก็บอกว่า คงไม่เป็นไรหรอกเรามีเจตนาดีไม่น่าเสียหายอะไรเป็นอันว่ากระบวยและบันไดก็ยังคงตั้งอยู่อย่างนั้นเพราะมีคนชมมากกว่าคนติกระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับจันจนกลายเป็นเรื่องรลา่าเล่าต่อกันมาปากต่อปากแทบจะเป็นตำนานของเดือนแก้วไปเลยด้ซ้ำในปีนั้น จันมักจะสัมผัสสิ่งแปลกๆได้คือเวลานั่งทำงานที่โรงเรียนก็รู้สึกเหมือนมีลมพัดผ่านมาที่ตัวพอถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้สึกถึงลมที่ว่าเลยบางทีจันก็เห็นคนเดินผ่านแว บ, บๆที่ประตูเมื่อหันไปมองก็ไม่มีใครเลยคิดไปเองว่าคงเป็นนักเรียนที่วิ่งเล่นสุขสนกันแต่มัน ไม่ใช่ที่โรงเรียนเท่านั้นเวลาอยู่ที่บ้านก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านตามห้องต่างๆทั้งที่ตอนนั้นเป็นเวลากลางวันและลูกๆออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านกันหมดแล้วจันจึงอยู่ตามลำพังแล้วใครกันจะเดินไปเดินมาในบ้านได้จันเริ่มแปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้บอกใคร คืนหนึ่งขณะที่ทรงลูกๆเข้านอนหมดแล้วตัวจัน์เองก็กำลังจะเข้านอนด้วยแต่ยังไม่ทันหลับสนิทก็ได้ยินเสียงผู้ชายเรียกชื่อจันอย่างชัดเจนเสียงนั้นคล้ายกับเรียกจากในห้องซึ่งใกล้ตัวจัน์มากแต่เมื่อหาที่มาของเสียงแล้วก็ไม่พบใครเลยจัน์ตกใจมากเพราะบ้านมีรั้วรอบขอบชิด ในบ้านมีแค่จันทร์และลูกๆเท่านั้นไม่น่าจะมีใครเข้ามาได้แล้วเสียงเรียกนั้นมาได้อย่างไรจันทร์เริ่มกังวลใจว่าตัวเองกำลังเจอกับอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครจึงทำตัวตามปกติได้แต่เก็บความหวาดระแวงเอาไว้เพียงคนเดียววันนั้นจันทร์จำได้ดี เป็นวันพักขึ้นสิบห้าคำพอดีจันทำอาหารเช้าให้ลูกๆเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะไปสอนหนังสือขณะที่แต่งตัวอยู่อยู่ๆจันร์ก็มีอาการหอบหายใจติดขัดเหมือนจะหายใจไม่ออกคิดว่าความตายอยู่แค่เอื้อมแล้วจริงๆทันใดนั้นความกลัวก็แผ่ซ่านไปทั่วร่าง โดยที่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรรู้แค่ว่ากลัวมากจันทร์สุดนั่งลงกับพื้นและเริ่มดิ้นทุรนทุรายปากก็พูดว่ากลัวกลัวพอลูกๆได้ยินเสียงร้องตังก็ตกใจมากรีบก็มาจับแขนและขาของจันทร์แต่จันทร์ก็ดิ้นสุดแรงเกิดจนลูกจับไว้ไม่ไหวจันทร์ร้องไห้เสียงดังเพราะกลัวมาก พอเพื่อนบ้านได้ยินเสียงก็วิ่งเข้ามาดูซึ่งอาการของจันในตอนนั้นมันเหมือนกับถูกผีเขา้าตอนนั้นจันรู้สึกตัวอยู่ตลอดแต่ไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้จันร้องไห้ไม่หยุดและใช้มือปิดหน้าหูดว่ากลัวกลัวแล้วก็มีคนถามว่ากลัวอะไรจันเองก็ตอบไม่ได้ ไม่รู้ว่ากลัวอะไรแค่รู้ว่ากลัวจริงๆกลัวมากเพื่อนบ้านเห็นอาการไม่สู้ดีนักจึงพาจันร์ส่งโรงพยาบาลเมื่อถึงโรงพยาบาลคุณหมอตรวจอาการแล้วก็ลงความเห็นว่าเกิดจากความเครียดจึงฉีดยาให้หนึ่งเข็มจันร์เริ่มสงบลงสักพักก็เกิดอาการอย่างเดิมขึ้นอีก จันร้องไห้และตะโกนว่ากลัวกลัวดังลั่นลงพยาบาลแม้แต่หมอหรือพยาบาลมาปลอบก็ไม่ช่วยให้การดีขึ้นเพื่อนเือ น, นจึงไปนิมนต์พระมาปัดรังควานหรือไล่ผีสั ก, กพักพระก็มาถึงแต่อาการของจันในตอนนี้กลับเป็นหนักขึ้นร้องกลัวกลัวอยู่ตลอดเวลา พาทาพิธีสวดมนต์และปราบพรมน้ำมนต์มาที่จันเพราะจันถูกน้ำมนต์เท่านั้นจันก็กรีดร้องอย่างสุดเสียงน้ำมนต์ที่ประทะโดนร่างชังเย็นจับขั่วหัวใจจันร้องไห้หนักมากขึ้นกว่าเดิมจนตัวสั่นไปทั้งตัวทั้งหมอพยาบาลและเพื่อนๆของจันที่มาเยี่ยม เริ่มมามุงดูผู้คนเยอะแยะมากมายจนเกือบเต็มห้องทุกคนต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจันมองดูคน ร, บรอบๆห้องสายตาก็เหลือบมองเห็นชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่มุมห้องด้วยที่ชายคนนั้นไม่สวมเสือ้อจึงทำให้สะดุดตาจันจึงเพ่งมองดูชายคนนั้นซึ่งหน้าตาเหมือนคนโบราณ ผมตัดสั้นเกลียนคางสี่เหลี่ยมจมูกบานตัวสูงใหญ่นุ่งผ้าเตียวสีแดงจัน์คิดในใจว่าเขาเหมือนกับคนที่จัน์เคยเห็นแวบๆบแบบผ่านไปมาอยู่บ่อยๆ ย, ยังไม่ทันได้บอกใครเรื่องนี้จัน์ก็ได้ยินเสียงพระพูดกับเพื่อนว่ามันยังไม่ออกดูสิยังมองตาขวางอยู่เลยทันใดนั้น จันก็ได้ยินเสียงผู้ชายกล้องอยู่ในหัวเหมือนกับเสียงที่เรียกชื่อจันในคืนนั้นมากเอามันออกไปเอามันออกไปเอามันออกไปเสียงกล้องซ้ำๆอยู่อย่างนั้นจันหันไปมองชายที่ยืนอยู่มุมห้องคิดว่าเขาเป็นคนพูดแต่ปากชายคนนั้นไม่ได้ขยับเลยจันทนไม่ไหวแล้วจึงกรีดร้องอีกครั้ง แล้วสืออึกสืออื่นพูดกระอึกกรากออกมาว่าเอาบันไดลงจากเรือนแก้วให้ใครเอาบันไดลงจากเรือนแก้วแล้วจันก็ดิ้นทุรนทุรายเพื่อนๆนช่วยกันจับตัวจันไว้แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งโทรไปบอกคนที่โรงเรียนสักผัก นักการพานรงก็โทรศัพท์มาบอกว่าเอาบันไดลงเรียบร้อยแล้วพร้อมๆกับอาการของจันที่หายเป็นปริดทิ้งจัน์ยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่รู้สึกตัวอยู่ตลอดแต่ทำไมควบคุมตัวเองไม่ได้หลังจากนั้นจันก็ไม่ไปทำงานที่เรือนแก้วอีกทั้งทั้งที่จัน์ชอบงานนี้มาก เดินผ่านทีไรได้แต่นึกน้อยใจเจ้าแม่เรือนแก้วที่จันมีเจตนาดีแต่กลับปล่อยผีตนไหนไม่รู้มาทำร้ายจันจันจึงไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวิญญาณที่นั่นอีกไลยเรื่องที่เกิดขึ้นกับจันนี้คงจะเป็นเรื่องราวที่ก่าวขานกันในโรงเรียนไปอีกนาน ผัดสยอง